เป็นอย่างไรให้เป็นอะไรเลยดีมากมากถ้าไม่เป็นอะไรก็อะไร <c oughs> ถ้าเป็นอะไรก็บอกด้วยเรียนที่จะบอกไหมเรียนที่จะถามไหม ยันที่จะทาอะไรต่อไปทายังไงเกินมากจะตัดช่องเดินทางให้แกตัวเราได้อาจจะไม่มีคำถามสำหรับการปฏิบัติตามหลักของสติปัฏฐานสูตรมันก็เราเมตตาเราเดินไปไหน ทางที่เราเดินไปมันเป็นทางไหมหรือมันลกถ้ามันโลกใครบอกเราถ้าเป็นทางใครบอกเรามันต้องเป็นทางแน่นอนเรียกว่าอาริยมรรคเป็นทางเดินของชีวิตที่ไปสู่จุดหมายปลายทาง ที่สุด่งทุกข์ก็ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าถึงเอามามีคำถามมันก็มีคำตอบในตัวเองอย่าไปหาคำตอบนะถ้าหาถือว่าไม่ไม่ถูกต้องแล้ว คิดหาคำมาถามก็ไม่ถูกต้องคำถามไม่ต้องคิดหามาถามมันมีแล้วจึงร่อยถามมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้เหมือนวันนี้คนหนึ่งมาจากขอนแก่นกับรถมากับปัญญาว่าได้กดเว็บไซต์เห็น ไยินหลวงพ่อเทศก็เลยขับรถมาดูก็บอกเขาว่าอย่าไปเชื่อนะคำพูดนะอย่าไปเชื่อง่ายๆจะเป็นมรรคเป็นผลเลไม่ต้องเชื่อในคำพูดเชื่อก็แก ก, การกระทำของเราเอง เขาก็เล่าเรื่องปฏิบัติทำให้ฟังเขาเห็นตัวเขาตัวเขาที่เขาเห็นคืออะไรมันแสดงออกมาตามอาการต่างๆมันอยากมันทุกข์มันโศกมันอะไรต่างๆเกิดขึ้นเขาก็เห็นเอาเห็นเอาถูกต้องไหม ก็ ö, ไม่ตอบแม่เขาพอถูกก็ ö, ไม่ต้องตอบให้เขาไม่ถูกก็ไม่ต้องตอบแม่เขาพอทองก็ว่าถ้าคุณเห็นเราจริงที่คุณเห็นน่ะเป็นจริงมีไหมอันไม่จริงมีไหมอันที่ไม่จริงมันเป็นของจริงอ่ะมีไหมอันที่มันเป็นของจริงเนี่ยมันไม่จริงมีไหมของจริงแต่มันไม่จริง ของไม่จริงแต่มันจริงนี่ไหมในตัวเรานะเราเคยหลงตัวนี้ไหมเป็นความไม่เที่ยงมันจริงไหมมันก็จริงแบบความไม่เที่ยงแต่มันไม่จริงแบบความไม่เที่ยงมันมีโอตัวเดียวกันแล้วก็บอกว่าเขาเขาเห็นแบบนี้แหละ เขาว่าถามว่าจะทําอะไรต่อไปเขาตอบไปเองเถอะถ้าคนเห็นงูควจะไให้งูเหยียบแล้วต้องไปถามใครไหมใช้งูกันไหมเนี่ยต้องถามหรือไม่ต้องถามคุณก็ดีก็เองสิถ้าเห็นงูที่มันมีพิษถ้าเห็นงูที่ที่มันไม่มีพิษไปทางที่งูไม่มี คนก็นเลือกเอาเองก็ต้องตอบเองสิใช่ไหมพอตยศนะก็ <c oughs> ต้องตอบเองนะนี่คือสัจธรรมวันนี้จะให้หลวงพง่อโกมแสดงธรรมหน่อยหมดแรงนะทำมานก <c oughs> ็เจออนะ่ะหมดแรงหมดแรงนะหมดเลยช่วยด้วยช่วยด้วยแล้ว <c> ก <oughs> ราตังกาเพระอาังกาเคราะก็กลาวว่าปารถนาใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็นาครนมัณฑการหลวงพ่อที่กรบย่างสูงท่านพระ เทลานุเทระทุกทุกท่านตลอดทางเพื่อนพิสุสมณเนทุกท่านทุกคนทุกท่านกับวันนี้หลวงพ่อจะพูดอะไรพ่อไปตั้งเขบมให้ฟังที่เอาที่ได้ศึกษามาหลวงพ่อก็บวชมาดานนี่นแหละแต่คนอื่นเขแตกแานไม่หมดแล้วแหลแต่หลวงพ่อนี่ยังไม่แตกขานหรอกคือว่าความรู้ไม่มี จะ พ, พูดให้ว่องขวางก็พูดไม่เป็นนอกจากตัวเองจะพูดจะเห็นเองทำเองคิดเองเห็นเห็นเอ ง, เเองจึงจะพูดได้เรามานี้มาพูดมาปฏิวัติธรรมานี่คือเราจะปเปมื่อพึทให้ออกจากทุกข์เราอยู่กับทุกข์กินกับทุกข์นอนกับทุกข์มาแต่นานแล้วตั้งแต่เกิดหลวงพ่อเนีตั้งอายุตั้งห้าสิบ สองห้าิบเ็ดปีจึงได้มาลองทดลองปฏิบัติดูแต่แต่อนไม่คิดว่าความทุกข์นี่มันจะออกได้ความรักความชังเนี่ยคิดว่ามันจะมันไม่มีโทษหรือไม่มีโทษก็เคยอยู่กันไปตามธรรมดาไ ม, ไม่ไม่ว่ามันทุกข์มันเคยเป็นจนกลายเป็นความเคยชินไปแล้ว มันมาเข้าประพฤติปฏิบัติแล้วจึงค่อยรู้จักว่าโอ้ความทุกข์นี่มันเกิดจากจากตัวเราเองแล้วก็ไม่มีใครจะทําให้เราทุกข์เลยเราทําเองเราทุกข์เองมันทั้งกายทั้งใจจะทําอะไรก็คิดว่าเอาความหวังนี่ไปไว้กับถิ่งนั้นถิ่งนี้ไปเรื่อยๆไปอ้อนวอ น, วอนให้ถิ่งนั้นมาช่วยถิ่งนี้มาช่วยแต่ที่จริงแล้วไม่มีหรอกอย่าไปคิดว่าอะไรจะมาช่วยเรา มีแต่เราคนเดียวนะช่วยอ่ะทำดีแล้วก็ทำเอาเองทำชั่วก็ทำเอาเองทำคนเดียวมันไม่ติดอยู่กับคนอื่นว่าคนนั่น่าทาให้เราทิมทุกคนนี่มาทำให้เราเป็นทุกแต่เก็ไปเอาจับความที่เขาว่าตัวมันนั่นแหละมาพูดกับเรานั่นว่าพูดดีหรือไม่ดีเนาะเอามาคิดเป็นหลายๆวันจนเป็นอดีตไปแล้วตั้งก็ปีสิปีก็ยังยั ง, ยงคิด เห็นอยู่ตั้งจะเป็นเด็กน้อยนน่นก็ยังเห็นมาชิดเห็นอยู่แล้วก็มาคิดคิดแล้วก็มามันได้หยุดไม่เป็นยิ่งคิดได้เท่าไรก็ยิ่งขยันคิดคิดจนกินไม่ได้จนนอนไม่หลับอยากจะไปเจอหน้ามันอยากจะทำลายมันมันจะเป็นอย่อยางนั้นแล้วเราไม่รู้จักแล้วก็เราก็ไปติดอันนั้นยอยู่คิดเห็นไม่อะไรก็ อ, อยากคิดอะ เพิ่มเมื่อไรก็คิดว่าจะไปทำลายเขาเมื่อนั้นพอมาฝึกเนี่ยโอ้เรานี่เกิดมาสร้างกรรมแท้ๆสร้างกรรมสร้างเวรให้ตัวเองน่ากลัวแท้ๆเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเนี่ยหวังคุณงามความดีอยู่ในนี่แหละอยู่ในเมืองมนุษย์เราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีที่สิ่งที่จะทำให้เราออกจากทุกข์ ศาสนาใดก็ไม่มีนอกจากศาสนาพุทธที่จะมาทําให้เราออกจากทุกข์จึงได้มาเรียนกับครูบาอาจารย์มีอะไรสิ่งที่ที่พาทำํำมาทุกข์ก็มีแต่กายกับใจมันทุกข์เพราะอะไรเพราะเราหลงนั่นเองหลงรักหลงชังหลงดีหลงชั่วหลงยิจฉาหลงพยาบาทไม่รู้จักปลดไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไม่ก็เลยเป็นอุปทาน ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั่นสิ่งนี้ว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีคนนั่นก็ไม่ดีคิดเรียเ่ยไรเปียไปจนกินมไม่ได้จนนอนไม่หลับวกไปเวียนมาอยู่นั่นแหละซ้ำซ้ำซากๆไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางพอมาเห็นเนี่ยมาฝึกมานี่ก็ยังไม่เข้าใจที่แรกก็มาดูรูปดูนามนี่แหละมาดูก็ ไม่เข้าใจพอมาเข้าใจตั้งหลายตั้งนานจึงเค่อยรู้รจักแต่ว่าถ้าไม่รู้จักรูปจากนามนี่เราจะไม่แก้งกับจิตกับใจของเราเพราะว่าเกิดกับกายกับใจของเราทุกนั่นอันอื่นไม่มีหรอกไม่มาเกิดหรอกมีแต่ทุกกายกับใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเองมีความปรุงแต่งอันนั้นคือปรุงแต่งนี่เกิดมีตาหูจมูกริ้นกายใจมันกระทบอันใดก็เป็นไปอันนั้น เรวก็เลยไปตามมันเป็นผู้เป็นไปเรื่อยๆไปจนเท่าจนแก่ความความเดียวคำเดียวติ่งเดียวตั้มตั้มตาตๆคิดเดีวคิดอีกไม่รู้จักจบมไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักเซ็งมีจะเป็นไปอยู่กับมันอยู่เรื่อยๆไปอย่อยางนั้นน่ะบัด น, นี้พอเรามาเห็นแล้วนะจึงค่อยรู้จักว่าโอ้เราทําเองทุกอย่างเลยเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาสร้างกรรมสั้งเวทให้ตัวเอง กรรมสางกรรมเนี่ยเราก็ไม่รู้จักกรรมพอมาปฏิบัตินเนี่ยเราจะค่อยรู้จักว่าโอ้กรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือการกระทําเรานั่นเองทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนี่ยมันมันอยู่กับเราคนเดียวไม่มีใครจะมาทําให้เราชั่วไม่มีใครจะทําให้เราดีเราทําเองคนเดียวเนี่ยพอมาเห็นอันนี้เราก็จึงค่อยความโกรธความโลภความหล ง, ค ว, งความอิจฉาความพยาบาต ท, ทุกอย่าง พยายามจะปลดจะปล่อยจะวางโอ้พระพุทธเจ้าที่สอนสอนเรื่องชีวิต จ, จิตใจของเราเนี่ยให้เรารู้จักทุกจริงจรงเท่ทกระทุก็ไม่ใช่อะไรหรอกเรามาปฏิบัติใหม่ๆนี้ก็คือความเจ็บความปวดความเหนื่อยความลาความหิวนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นอยู่ใ น, นกายของเรามันก็อนเราก็เรียงเรื่องนี้แหละมันสอนเราความวาเม่องเมาเศร้าซึอซอมอะไรทุกอย่างที่มันมาทําให้เราเห็น นี่แหละเราก็เป็นผู้เป็นกับมันไปติตกับมันไม่อยากให้มันเป็นไม่อยากให้มันเกิดมันก็เป็นมันก็เกิดอยู่นั้นน่ะยิ่งไม่อยากให้มันเคเนเท่าไหร่มันก็ยิ่งเกิดวุ่นวี่วุ่นวายสับสนยังไม่รู้อะไรมันเป็นทุกคนนั่นแหละแล้วแล้วพวกเรานั้นอยากอยากเสียใจอยากให้มันเกิดนั่นแหละมันจะคอยรู้มันสิ่งที่มันเกิดมานี้มันมาสอนเรามันมาทําให้เราดู ถ้ามันไม่เกิดไม่ให้เกิดให้เราดูไม่ให้เราเห็นเนี่ยเราจะไม่เข้าใจทุกอย่างเขาสอน่ะเขาจะสอนว่าอันนี้มันทุกข์มันเกิดมาให้เราเห็นนั่นน่ะอันดีมันก็ทุกข์ไปอย่างหนึ่งอันไม่ดีน้มันก็ทุกข์ไปอย่างหนึ่งมันไม่ได้สมหวังอย่างที่เราปรารถนาหรือคิดเอาแล้วไว้ไว้นันน่ะมันไม่เป็นแล้วมันก็เป็นเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็ดีถืว่าขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งต่อไปอีก มันก็เปลี่ยนไปอีกไปเปลี่ยนไปอีกเราก็เสียใจไปอีกไม่มีสิ่งที่จะแน่นอนเกิดไม่โลกเนี่ยมันเป็นโลกสมมุติสมมติขึ้นแล้วก็ไปติดสมมุติติดหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งที่ไม่ติดไม่มีทั้งโลกภายนอกภายในชีวิตจิตใจของเรานี่ก็ลมือกันทั้งโลกภายนอกก็ไปติดสิ่งที่เราทําอะไรไว้เราก็ไปติดมีอะไรก็ติดอันนั้นมีอะไรเป็นทุกข์เ ป, en, ป็นกับสิ่งนัはは้นเลย มีน้อยก็ทุกน้อยมีมากก็ทุกมากบัลเรามาเข้าใจเพื่เรายังค่อยรู้จักโอปฏิบัติธรรมนี่คือเราต้องอยากให้เห็นสิ่งนี้เองให้ดูสัญชาตญาณราเมื่อเราเดินจงกรมไปนั่นอะไรเกิดบ้างมันทําให้เราเสียใจบ้างให้ดีใจบ้างให้เสียใจทั้งรักทั้งชังทั้งดีทั้งชั่วทั้งง้อเหงาเศรื่ซึมซารพัดเรื่องใดมันจะเกิดให้เรารู้จักแต่เราก็ไปตีพอยตีภัย ว่าไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้มันมีอยู่ในเรามันก็ต้องเกิดมาเราเห็นนั่นแหะมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ต้องวิบตกยิ่งดียิ่งรู้ยิ่งดีแต่อยากเข้าไปเป็นผู้เป็นแต่ก่อนไม่ว่าอะไระเราเข้าไปเป็นกับเขาไม่ไปอยู่กับเขาไม่ว่าดีไม่ว่าชัว่วนั่นแหละแล้วเธอก็เพิด <üm> เพลินไปกับเขาแล้วเธอก็อิจชาพยาบาทอยากไปอิดชาเขาอยากไป เค่เจนฆ้าเราเวซาทุบละพัตอะนั้นมันจะเป็นไปเพราะฉะนั้นพอเรามาปฏิบัตินี้ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทิ้งไหนเกิดขอให้เราแก้ตัวเองไม่ไม่อยากเกิดมันก็เกิดในอดอาการเกิดอาการดับมันก็เป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่แน่นอนต่างอย่างเดียวโกรธอย่างนี้ก็โกรธไม่นานเดี๋ยวมันก็ดี Yeah. ดีก็ดีรักก็รักไม่นานปรเดี๋ยวมันก็ตรับทับต้อนกันอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่รู้จักความคิดหรือสิ่งเกิดขึ้นนี่เป็นธรรมดาแล้วเราจะไปปิดติดอยู่นั้นวันนั้นพอเราอย่าจุกไปติดกับมันไม่ต้องไปติดอะไรเกิดก็ให้มันเกิดมาอะไรจะดับมันก็ดับไปอะไรตั้งอยู่มันตั้งอยู่ไปแต่ว่าเราเป็นคนรู้เฉยๆดีก็ให้รู้จักว่าดีชั่วให้จักว่าชัว่ว มันเกิดขึ้นให้เราอันดีก็มีอันชั่วก็มีอันเพลิดเพลินไปจนไม่ไม่อยากหลับอยากนอนก็มีไม่ง่วงนอนเคยนอนง่วงนอนไม่ก็หยุดไปก็มีแล้วก็ถ้าทำไมง่วงเหงาเศร้าซึมให้เรายี่เกียรตขี้ข้านไม่อยากทำอยากหนีไปคุยกับคนนั้นคุยกับกับคนนี้มันชวนเราไปทั้งเสียเสียทั้งนั้นแหละมันจะเป็นอะไรมันก็จะออกมาชวนเราชวนเราไปนะ่ะ เราจะไปเชื่อมันมันไม่ดีดีมันก็มาโกหกเราไอ้ชั่วมึงมาโกหกเราให้เราพยายามทําเพื่อดูเพื่อรู้เฉยๆธรรมะเนี่ยไม่ว่าสิ่งใดเลยที่เรามาทําอยู่เนี่ยเราจะออกจากทุกออกจากทุกนี่คือเบื้องดูอาการเกิดมันโอ้ฉันธาตุยานของเรามันมีอยู่อย่างนี้เราเรามันทุกเพราะอะไรเพราะเราหลงวันนี้เราไม่หลงแล้ววันเนี้ย พอเห็นปั๊บนี่ยเราจะมาอยู่กับตัวรู้สึกเพราะว่าตั้งแต่ก่อนเราวรู้จักตัวรู้สึกเนี่ยเป็นเครื่องหมายที่เป็นผู้รักษาเราเป็นิงที่กําบังของเราเป็นที่จับของเราไม่ให้ทิ้งได้เรื่องอะไรเรื่องอะไรเกิดก็ตามให้มาอยู่กับตัวนี้รูปกับน้ำอารมณ์รูปน้ำไม่ทิ้งม่นได้เป็นที่พึ่งของเราแต่แท้เนี่ยอย่าไปเอาอันอื่น มันเป็นอะไรสุดแล้วแต่มันจะเป็นเป็นวิปัตนวิปราชินทะยานอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นอยู่นั้นถ้าเราไม่ไปเป็นกับมันน่ะถ้าเราไม่เชื่อมันน่ะมันก็เป็นเหมือนกันน่ะแต่ว่ามันค่อยๆลดลดลงน้อยๆมันเป็นน้อยๆมันเป็นมากไม่เป็นมากให้เราพยายามมันเป็นอยู่นี่แหละตั้งแต่ก่อนมันเป็นอยู่กับทุกกินกับทุกนอนกับทุกแต่ไม่รู้บันนี้เรามาเห็นแล้วทําไปแล้วเราสบายทําวันยังค่ํา พอเห็นปั๊บแต่ว่ามันดื่มสติเนี่ยให้เราพยายามตัดความคิดเร็วๆให้พยายามปฏิบัติมากๆเนี่ยอย่าปล่อยให้ความคิดพยายายีเรานั่นแหละตัวพยามาลอย่างได้แรงเลยละนั่นนะคิดดีคิดชั่วมันโกหกมาเราตั้งแต่เมื่อเกิดนั่นแหละให้เรากลัวไว้สิ่งที่เรามาเกิดมาเนี้ถ้าเราไม่รู้สิ่งนี้นั่นนะ เราเกิดมานะ่ะมาได้ได้ได้รับกรรมรับเวรไปจนจนกระทั่งตายเราไม่เห็นไม่เข้าใจเรื่องชีวิตจิตใจของเราอะ่ะแต่ที่จริงคิดวิจิตชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันเบิกมันบานมันสว่างมันสวัยอยู่อย่างนั้นมันโศกเศร้าเพราะอะไรเพราะความไม่รู้ของเราเนี่ยเหมือนชีพเมฆเันมาบังตะวันนั่นเอาไว้ ถ้ามันมาบังอยู่ยนานๆมันก็มืดนานๆมันก็ไม่สว่างลงมาถึงดินจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันมีอะไรมากระทบตาหูจมูกริ้นกายใจนะ่ะมันย่อมสีเหมือนสีอะไรสีแดงสีดำํำสีชมพูรหรือสีอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันก็เหมือนกันนั่นแหละได้รับรถอะไรมันก็ติดไปในรถในชาติไปไม่ว่าตาหูจมูกริ้นกายใจมันมีรถมีชาติทุกกานมันเสียบอยู่ตลอดเวลา พอเราไม่รู้จักเราก็ไปอยู่กับมันนั่นแหละเรารู้แล้วเราก็ดูระวังระวังอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกนิ้กายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผรัตภะธรรมลมนั่นแหละให้เราเข้าใจใเข้าใจในสิ่งนี้แเราไม่เป็นกับมันมันเป็นอยู่นั้นให้รูปจำเป็นความเป็นจริงรักมันก็ ไม่เที่ยงไอ้ชังมันก็ไม่เที่ยงเกิดทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงไม่มีตัวไม่มีตนมันดีมันชั่วมันดีใจมันเที่ยใจก็ตามมันให้เราดูเฉยเออดูไปมันดีก็ดูมันไปมันชั่วก็ดูมันไปอย่างนี้อย่าไปอุปทานตัวตัวยึดมั่นก็คือนั่นแหะคือขันห้าน่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนั้นมันก็มันก็ไปกระทะพร้อมกันนั่นแหละ ถ้าอันหนึ่งกระทาแล้วมันก็จะเกิดพร้อมๆกันเลยทั้งรูปเทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งมี ญ, ญาณเป็นพร้อม ๆ, ๆกันไปเลยมีครบคันแล้วเราไม่รู้จักเราก็ไปยึดมัน่นถือมัน่นมีตั ว, ม, ตวมีตอนเกิดขึ้นเกิดทะเลาะวิวาดกันไม่รู้จักปวด จ, กจากพลอยจากวางไปที่แท้จริงมันไม่มีอะไรเรารู้จักเราว่ามันไม่มีอะไรมันมีไม่มีตัวมีตอนมันเป็นอาการเกิดขึ้นเฉยๆเยนี่ยแต่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ได้มันเป็นธรรมดาธรรมดามันอยู่นั้น มันไม่มีตัวไม่มีตนให้เราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นทุกข์ <c oughs> พอมาเรามาเข้าใจสมมุติด้วยจากด้วยจากรูปจังนามรู้จักรูปทมนามทำรู้จักสมมุดด้วยจากทุกครังนีจน้จังนาตามารู้จักศาสนาพุทธศาสนา แล้วเราก็จะมาวนอยู่นี้แหละวันอยู่วนอยู่ในโดจียะของเราเนี่ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราทำมาแต่ไหนแต่ไรมาจนจำ น, นิํำ น, นานทำอะไรก็ไปคิดถึงในถึงนั้นติดในถึงนั้นไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเป็นลูกเป็นเต้าเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องของเราเราไปติดอยู่นั้นเร า, เ, ราเกิดมาขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากเก็บอยากตาย ไม่อยากแก่ไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายมันจะมันจะคิดอย่างนั้นเป็นอะไรเข้ามาก็ไม่รู้จักชีวิตตัวเองก็ไปติดตั้งแต่กลักวกลัวแต่ตัวจะตายเองกลัวจะไม่หายแล้วก็ลํานี้ลาไรลนะ้วคิดก็น้าตาไหลอยู่นั่นแหละมันอยู่เป็นมันทุกข์อยู่นั้นทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่ก็มาคิดอยู่นั้นน่ะมันยุ่งเหยิงสับสนอยู่ในโลกียะเนี่ย เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เราก็มาอาศัยแต่ชั่วขณะขณะพอได้ทําคุณงามความดีนั่นแหละมาสร้างชีวิตของเราให้มันเกิดขึ้นดีสิ่งที่ดีๆมาเรียกเอาอยู่ที่นี่แหละออกจากสิ่งสมมุตินี่แหละเราจะมาเรียกเอานี่เรียกเอาได้แล้วเราก็หาเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะเป็นทุนเป็นรอนไปผานทางโน้นและทางนิพผ่านพ่อน่ะ สิงที่อยู่ข้างอยู่นี้่มันก็เป็นของเทีเโลกของสมบัติของโลกเป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นข้าวเป็นของเป็นอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปเอาไว้มันเป็นของโลกเราเป็นหมดแล้วก็แล้วไปหมดแล้วทิ้งก็ทิ้งไปหาใหม่ไฟเก็บไว้ให้ดีอยังให้ไฟไหม้ย่าให้น้ําท่วมอย่าให้จนขโมยมาลักมาโจกเอ ถ้ามันเสียไปแล้วเราก็จะลําดีลำเล่ยอยู่งั้นบางคนบางคนที่เขาถอดเขาถอดเขาถอนไม่เป็นเขาก็จะไปติดอยู่ที่นั่นแล้วมันก็จะเป็นสมบัติของเราที่จะไปคลองทุกอีกต่อไปในโลกชัดพลดไปภาคข้างหน้าสิ่งที่เรามีกิเลสอยู่เราก็ต้องไปใช้กิเลสนั่นแหละเรามีกิเลสเราเป็นห่วงอยู่ถ้าเราออกจาก โลกิยานัเนี่ยออกจากโลกสมมุทรนี้ได้เราก็เราก็ได้ไปนิพพานไม่ได้ก็ับาเกิดอีกนะเพราะฉะนั้นให้เราพยายามให้รู้จักแต่รู้ให้รู้จกัจกแต่ทําไปอันไหนมันถูกก็เรียกคัดเรียกคัดจัดหาไปสิ่งที่จะพาเราเป็นทุกข์เราก็วางซะคนมาดูถูกนินทาก็ตามเขาจะมายอยกยอจนรเสรินก็ตามเราจะไป ถือสาเขาให้เขาว่าซะเขาดูถูกไปแบบไหนก็ตามเอาทิ้งไ้หมดเรารู้จักแล้วเราควรละวางละเพราะว่าเป็นถ้าเราไปยึดไว้นั้นก็เป็นสมบัติของเราคนเดียวคนอื่นเขาไม่เห็นได้ยินนําหรือเขาไม่รับโอกาสจากเรานี่เราเขาก็ไม่ได้คนอื่นเขาว่าเราเราไม่ไปว่าเขาตอบเขามาฆ่าเราเราก็ไม่ฆ่าเขาตอบมันก็แล้วกันไปเราอย่าไปเอาเลยเอาให้เขาซะ ลาของพ่อพ e. no ุทธวันนี้ก็ไม่พูดมากดอกคือว่ามันไม่มีความพูดดอกแต่เข้าใจอยู่เจตทางจะออกทุกขพอเข้าใจแต่ว่ามันพูดไม่เป็นก็ยุติเพียงเท่านี้ขอให้ญาติธรรมทุกคนจงตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงแกณฑแท้ของพุทธศาถนาคือจิตใจสว่างสงบความบริสุทธิ์ตัดใสวิ่ง พ้ อ, องไว้จงมีแก่ท่านทุกๆทุกคนในเวลาใกล้นี่เทิน